อนั้นในช่วงเช้าดี่พาสวดอนิสงฆ์การแผ่เมตตาก็อยากประลบเรื่องนี้นิดหนึ่งเพื่อเราได้เห็น อ, น, อนิสงฆ์ชัดๆพยายามสวดทุกวันอนิสงฆ์การแผ่เมตตามีสิบเอ็ดอย่างจําได้สักอย่างไหมที่ส่วนมันไม่อกี้หนึ่งคืออะไระสุขขังสุปฏิข้อนี้จําได้ดี สุขังสุปฏิหลับก็เป็นสุสุขขังปฏิพุทติตื่นก็เป็นสุนะคือเวลาหลับเป็นสุคือหลับนีคือตอนที่หลับเนเหมือนท่านทาใจเหมือนเราตายไม่ใช่คาหูโทรศัพท์อยู่ไม่ใช่คาทีวีอยู่ไม่คาอินเทอร์เน็ต Facebook อยู่อันนั้นก็เรียกว่าหลับไม่เป็นสุแนนะฝันต่อไปเลยใจไม่ได้พัก เพราะนั้นการก่อนที่จะหลับก็ต้องทำพิธีหน่อยทําพิธีทําสมาธิหลับการเจริญอาณาปณสติพ อ, อ, อนอนลงไปปุ๊บก็เจริญอาณาปณสติขนาดนั้นเลยตามลมหายใจเข้าออกสบา ย, บายแต่อย่าไปจ้องไปจดไปกดไปบีบลมหายใจไม่ได้เดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับมันจะตื่นมันจะ alert เ, เ, เอาเวขึ้นมานอนพานนอนไม่หลับ ดูสบายๆดูเล่ น, ลนๆแผ่วๆเบาๆดูเขาลมไหลลงไปลึกๆแล้วก็ออกมายาวๆไม่ต้องคิดว่าจะหลับหรอกคิดว่าจเจริญอาณาปณะสตินั่นแหละแต่ถ้ามันหลับไปเป็นผลพเอยได้นีเป็นผลพเอยได้เวลามันหายใจคอกแผ่วๆเบาๆสบายๆให้สบายที่สุดนอนให้สบายจะนอนง่ายนอนข่วม หรือนอนแต่นอนโค้มไม่ข้อท่าเนาะก็เราเปรตสายหาตนอนแบบเปรตนอนโค้มนี่นะแต่นอนแบบสีหาสายาติคือนอนแต่แขงขวานี่ยดตตาถาคตะสยญาติจิ้นอนอนยังไงก็ได้ตามถนัดแต่กําหนดลมรู้ลมหายใจให้ใหลับไปแต่มาก็เคยศึกษานะเวลาช่วงต่อระหว่างการหลับกันตื่นมันต่อกันยังไงอันนี้เจริญสติเป็นแล้ว เริศึกษากันหลับกับการตื่นเวลาเราจะหลับเนี่ยช่วงต่อผวังขวิญญาณกับมโนวิญญาณที่ผวังควิญญาณที่จะช่วงต่อไปสู่การหลับเนี่ยตัวมโนวิญญาณคือตัวตื่นรู้อยู่จะไปสู่การหลับเนี่ยมันหลับอย่างไรก็ตามดูเข้าไปนะ ไปช่วงสัญญการนิดหนึ่งขั้นกันระหว่างจิตตื่นรู้กับจิตจะเข้าไปสู่ลายการหลับดูเข้าไปแต่ยากมากตามสิบครั้งยี่สิบครั้งมันจะรู้ทันสักครั้งหนึ่งพราะความแหลมคมของสติแล้วไม่พอที่จะไปทันตรงนั้นแต่ตามหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าจะเห็นบางครั้งมันตามไปแล้วไปถึงครึ่งเข้าพอค่ะจิตมันมันถอยกลับมันถอยกลับเอาตั้งต้นใหม่ดูเข้าไปใหม่ แต่ถ้ามันเอยกับมันโคชื่อเข้าไปเลยทัย้งยันนั่นก็ถ้าหากว่ารู้ได้งั้นจิตแบบไม่ฝันก็หลับไม่กี่ชั่วโมงจะชื่นมากหลับเลยลึกๆทีนี้พอจับหลายครั้งก็จับได้เราทํงงางการศึกษามันเท่าไหรทีนี้มาดูการตื่นบ้างเอ่อก่อนที่จะตื่นจาก จ, จิตหลับไปสู่จิตตื่นมันเป็นยังไงมาก็ตามดูหลายครั้งนะตามดูตามดู ก่อนที่จะตื่นว่าร่างกายกับใจรูป ก, กับนามเนี่ยมันตื่นอันไหนมันตื่นก่อนเคยตามดูไหมกายกับใจเนี่ยอไหนตื่นก่อนเนี่ยตามดูมีหลายครั้งมาจับได้ใจมันตื่นก่อนเพอใจตื่นแต่ร่างกายเขายัางนอนหลับโกลก็้อซอดึงแล้วก็เฝ้าดูไปทีนี้เราจะผูกให้กายตื่นแล้วก็กระตุกลมหายใจแรงๆเหมือนเราติดไฟอะ่ะ มันไอไม่ขี่แหละพับเข้าไปเราไปติดเชื้อถุกลุงหายใจปั๊มันก็ร่างกายก็ดิ่นได้ตอนที่เขายังไม่ตื่นเนขาก็นอนทื่ออยู่นันะนอนหลับกลหายใจแต่เราถอดจิตออกมาดูเหมือนคนเราไปนั่งดูคนนอนหลับอะ่ะนั่งไปนั่งเฝ้าคนนอนหลับก็ทำหลายครัง้งแลายครั้งก็จะเกิดความเชื่ชํานาน เพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรหลายอย่างที่เป็ น, นกลไกทางธรรมชาติที่มหาศาจา์มากแต่เราไม่เคยรู้จักเขาเลยแต่คนที่จะรู้จักเรื่องนี้ได้ชัดเจนถ้าไม่เจริญวิปัสนาได้เจริญสมถะให้เข้มแข็งไหมไม่มีทางทําได้เลยเพราะว่ามั น, มนละเอียดกฎของการตื่นสุขขั้งสุขปฏิตื่นก็เป็นสุขสุขั้งปฏิปุจฉิหลับก็เป็นสุข นะปปะกังสุบินังปสติถ้าเราหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะสุบินัง ไ, ไม่ฝันร้ายนะคือไ ม, ไมอไ่ไม่โดนอะไรไล่กัดไม่โดนอะไรไล่ฆ่าและ ย, ยิงใน้ฟันไม่าหายหกตกหล่นไปขึ้นเขาลงห้วยอะไรถูกเสือกัดไม่มีนะมันจะหลับลึกแต่ถ้าหากว่ามีการฝันเกิดขึ้น ถ้ามีการฝันเกิดขึ้นก็จะต้องมีเหตุไม่ใช่ไม่ฝันตงมีเหตุมีอะไรบ้างาจิตนิวนรณ์ธาตุกำเริบจิตนิวรณ์เทพสังหรเทวดาดินใจกรรมนิมิตอะไรพวกนี้ว่าเราจะเป็นอันไหนถ้าธาตุกำเริบไม้ก็กินมากเกินไปในเวลานอนหรืออาหารที่กินเข้าไปเป็นพิษหรือตอนที่นอน นอนด้วยความหิวฝันได้ทานอาหารทั้งคืนเลยเนะนี่ย น, นี่ยนี่เขาเรีกธาตุกำเริบธาตุสีกำเริบจิตนิวรณ์ธาตุกำเริบจิตนิวรณ์นิวร์หมายควาก่อนนอนเนี่ยจิตไม่สงบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นอนกายหน้าผาคิดเรื่องธุรกิจเรื่องการงานเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงอะไรที่เราติดมาแต่กันกานแล้วก็ไปเห่อคิดคิดพอหลับไปก็มั่วเลยทีนี้ ฝันสารพัดอย่างจิตตี่วอเทพสังหอนหมายกาบว่ า, าเทพสังหอนหมายถึงว่าจะมีใครเป็นใครตายาพ่อแม่อยู่ผ้านเขาคิดถึงเราหรือเราคิดถึงพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นอะไรที่บ้านคนที่เรารักเป็นอะไรไปอะไรเนี่ยมันก็จะมาปรากฏในนั่นหมายความว่าจิตของเราดีนะ พระเทพสังหอนว่าให้รู้ว่าเออแล้วอะไรจะเกิดในพรุ่งนี้อะไรจะเกิดกับเราเราจะเป็นอะไรในพรุ่งนี้ เ, เขาก็จะเกิดกันมนระวังโบราณเขาก็มาทํานายว่าฝันว่าฝันหลุดฝันใจโชคไม่ดีอะไรเนี่ยก็แต่เทพเทพสังหอนแล้วเทพสังหอนจิตว น, นแล้วกรมนิมิตหมายถึงว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยคำดีําชั่ว มันนิมิตรให้เราเห็นว่าเราไปถึงตอนนั้นเราวันนั้นเราจะป่วยวันนี้เราจะเจ็บเราจะตายวันนั้นเราจะได้โชควันนั้นเราจะวิบัติวันนี้เนี่ยมันก็จะมามาแสดงให้เราเห็นนั่นหมายความเรามีกุศลจิตสิ่งเหล่านี้ปรากฏเราก็จะเริ่มแก้ไขเริ่ ม, มเริ่มระมัดระวังเพราะนั้นความฝันก็มีอิทธิพลแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้แล้กระดับสนิทสบายดับลึกนะ มนุษะนางเปีโยวโหติเป็นที่รักให้ของมนุษย์คนที่เจริญเมตตาอยู่เสมอเนี่ยคือหน้าตาเขาจะผ่องใสแล้วก็หน้าตาเป็นมิตรใครเห็นเขาก็อยากทักอยากคุยใครเห็นถ้าเป็นไอ้ที่ไม่ต้องเจริญเมตตาเขาก็ใช้อะไรใช้สเสน่หานิยมเนาะมีนางกวักอะไรก็วัตถุภายนอกเขาใช้อันนั้นแต่มันใช้ได้เสมอไปไหมไม่ได้นะฮะ มีนางกวักมีเมตตามหานิยมแต่ว่าเจ้าของหน้าบึง้งหน้าบุญหน้าเบี้ยวหน้าไม่ยิ้มหน้าไม่รับแขกเนี่ยมันมีของขังศักดิ์สิทธิ์อะไรมาเรียกแข็งก็ไม่เวิร์กไม่ไม่ได้ผลนะ่ะอ่ามนุษสานังปิโยโหติถ้ามนุษสานังปิโยโหติเป็นที่รักไข่รักใกล้ของเพื่อนมนุษยนะ์ถ้ามีจิตเมตตามีจิต ด, ดีเนี่ยเอาพอเข้าใจได้นะแต่ว่าอ่ามนุษสานังปิโยโหติเป็นที่รักไข่ของอมนุษย์เนะี่ย เป็นที่ละไข่ของเราอะมนุษย์คาว่าอมนุษย์ ห, หมายถึงใครหมายถึงผีสางเทวดาอินพมยมยักษ์อย่างนั้นหรือเปล่าอมนุษย์อมนุษย์คือคนที่จิตไม่เป็นมนุษย์อะคนอารมณ์เสียง่ายคนขี้โมโหคนเรียกว่าโรภจัดโกรธจัดหลงจัดอารมณ์เห็นแล้วเขาเรียกว่า n e g a t i v e personality อมนุษย์คือบุคลิกเสีย ใครก็ไม่อยากเข้าใกล้ด้วยพูดเสียงดังไม่เรียบร้อยเออะโวยวายเอาแต่ใจตัวเองพุทีิคุเรื่กงเป็นอมนุษย์คือหมายความว่าในภูมิจิตของเขาเนี่ยอาจจะถูกสัตว์นรกสิงอยู่อาจจะถูกดิรชานสิงอยู่อาจจะเปลดสิงอยู่อาศุลกายสิงอยู่ในใจเขาอารมณ์เขาตึงออกมาแบบนั้นเพราะก็คือคนเราธรรมดานี่แหละแต่ใจเขาไม่เป็นมนุษย์ธรรมดาใจเขาเป็นอมนุษย์อยู่ มีไหมคนอย่างนั้นมีไหมชีวิตวันของเรามีเยอะด้วยเนีเพราะนั้นแต่ว่าคนเหล่านั้นพอมาเห็นเราหน้ายิ้มแแจ่มใสไม่พิ็พิษเป็นภัยเขาเกิดชอบเหมือนกันนะไปกระทบจิตเขาอ่ะเกิดด้วยดเมตตาของเราจิตใจเขาจะคิดมุ่งร้ายหมายขวนเขาเปลี่ยนใจเมื่อเจอรอยยิ้มเจอหน้าตาสุใสเจอหัวใจที่เบิกบานไปกระทบเหมือนกับสิ่งร้อนร้อนมากระทบเย็นอย่างเงี้ยมือนก็บวูบไป นะอันนี้เขาเรียกว่าแม้แต่อมนุษย์ก็รักคนใจไม่ดีคนใจจิตไม่เซื่อนะมามาเจอก็เปลี่ยนจิตเข้าไปได้แล้วก็ดู ว, ว่าตั้งจิตตั้งสมาธิยติจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วคือเวลาเจริญเมตตาเนี่ยเราจิตใจเป็นกุศลอยู่แล้วเนี่ยถือว่ามันเป็นสมถะอย่างหนึ่งแต่ว่าจิตเป็นกุศลเวลาทําสมาธิหรือเจริญสติมันก็ตั้งมั่นได้เร็ว นะมุขมุขวันโนวิปัสสีทิตติสีหน้าผ่องใสเอ๊ะถ้าไปเจียวพวกนิกรูวพวกคุณดาเขาเนี่พวกนี้ก็เจริญเมตตาไมาได้สีหน้าดำปื๊ดเลยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าแววตารอยยิ้มน่ะคือผ่องใสแบบนั้นบางคนเนี่ยเห็นหน้ามีรอยยิ้มอยู่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นติดใบหน้าอยู่เสมอนะทั้งทั้งที่ว่าไม่ไม่เคยเห็นคนนี้ ใบหน้าบูตรบึง้งแต่เห็นแล้วเหมือนกับมีรอยยิ้มอยู่รอยอยู่บนใบหน้าเสมอเนี่ยอันนี้คนมีสมาธิมีเมตตาคนแผ่เมตตาประจำแม้เขาจะเป็นฝรั่งอังกฤษเป็นมิคกรเป็นคนแม้คนแบล็กคนดําก็ตามแต่ว่าสีหน้าเววตาเขารับแขกแล้วก็ยิ้มเห็นแต่ฟันขาวๆก็ถือว่าเขามีเมตตาอะไอย่างเงี้นะแล้วก็สัตว์ทั้งว่าอัตทั้งว่า กรรมติไฟและยาพิษหรือแม้แต่สัตวาวุธก็ไม่กากลายหมายก็ไฟไม่ใครจะมาทำลายด้วยไฟด้วยยาพิษด้วยอะไรต่างเนี่ยมันจะมีอันคล้วคลาดนะอันคล้าคลาดไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอะไรง่ายๆะจะมีสิ่งปกปักรักษาเนี่ยแล้วก็ อสัมมุลอสัมมุโหะกำลังกโลติไม่หลงสติเวลาตายเวลาจะตายเนี่ยมีสติจิตสงบเยน็นพวกคนที่มีเมตตาสูงจิตเขาจะเยน็นเมื่อเย็นแล้วเวทนามันจะไม่แรงเมื่อเวทนาไม่แรงมันก็ไม่ถูกบีบคั้นจิตก็ไม่กระสับกระสายกระวนกระวายแต่คนที่ไม่ได้เจริญเมตตาเป็นประจำเนี่ยมันก็จะมีวิบากกรรมเข้ามาสวยในช่วงที่จะตาย ถ้าเราเคยทํากรรมวิบากอะไรไว้แรงในอดีตเนี่ยเขาก็จะมาสเสวยตอนนั้นมาเอาคืนว่างั้นเถอะเขาก็อาศัยเวทนาของเราเนี่ยบีบคั้นเวทนาของเราให้เกิดความเจ็บหนักปว่วยหนัเกเราก็ไม่สามารถควบคุมจิตไ ด, ด้จิตกระสับ ก, กระสายแต่ถ้คนที่เจริญเมตตาประจำนี่ตัวเหมือนไฟอ่ะกรรมชั่วทั้งหลายเหมือนไฟพอมาโดนจิตเมตตามาโดนน้า มันก็ดับจิตแล้วก็เย็นสบายแล้วก็ตายก็สบายแล้วก็ที่สุดเขาบอกว่าอุตริงอปติวิชนโตพระมโนกูปโคโหติเมื่อไม่สามารถบรรลุทำขั้นสูงในภพนี้ได้ก็ย่อมเข้าถึงภมรลกหมายความว่าเราเจริญวิปัสสนาเจริญสมถะไปเนี่ยแต่ว่าจิตมันยังข้าม ตัวไปสู่วิปั ส, สนาไปสู่อริยภูมิอริยมรรคจิตไม่ได้ยังไปติดสงบติดเพดานติดพรมอยูอ่แล้วก็เกิดจิตดับขณะนั้นก็ไปสู่พร ม, มโลกนว่าอันนี้คืออันนี้สมดมตำรานะเพราะฉะนั้นดูว่าเรามีกี่ข้อในสิเสข้อนี่ไสัก5าข้อก็ยังดีใช่ไหม แต่ไม่มีสักข้อนี่เอาพับนะถือว่นคนเอาพับนะให้มีสักหข้อขนไปแล้วกันในสิเอนี่ยแต่คนไหนมีมากกว่า น, นั้นก็ยิ่งถือว่าเมตตาสูงเป็นเครื่องวัดนะอย่างน้อยก็เป็นที่รับของเพื่อนหลับง่ายตื่นง่ายสบายอะไรพวกนี้ก็ลำดับดูไปนะอันนี้ก็นำเรื่องนี้มานาเสนอเพื่อที่จะปูพื้นฐานจิตให้อ่า เข้มแข็งแล้วเวลาเจริญสติสมาธิแล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่านได้ง่ายไม่ง่วงไม่เหงาไม่เบื่อไม่เซ็งได้ง่ายเพราะมีพื้นฐานอห่งกุศลดองรับก็จะตื่นตัวแล้วเวลามีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นในขณะภาวนามันก็จะเกิดคลิกขึ้นมาเออต้องแก้อย่างนี้นะเออต้องแก้มันจะมีสิ่งที่มันคลิกขึ้นมาในใจเองแต่ถ้าหากว่าคนไม่ค่อยเจริญกุศลในจิตไปเจออุปสรรคแล้วก็นึกอะไรไม่ออกถูกอุปสรรคเล่นงาน ง่งวงก็ง่วงหัวสุกหัวซุ่นอย่างี้นึกไม่ออกว่าคัอนข้างที่เดินออกจากมันไปนิดเดียวมันก็ออกได้แล้วใช่ไหมแต่เราก็ไม่ยอมเดินแค่นั่งง่วงอยู่นั้นแค่ลุกขึ้นไปทาาไําอะไรสันหน่อยหนึ่งมันก็ออกได้แล้วถ้ากุศลนจิจมันเกิดนะถ้ากุศลจิตไม่เกิดมันก็นึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกอันนี้คือฐานที่เป็นกุศลจิตจะช่วยเราตรงนี้เวลามันฟุ้งซ่านขึ้นมามันจะมันจะคลิกขึ้นมาว่าคนจะแก้อย่างไรกุศลจิตเกิด แต่ถ้ากุศลตัวนี้ไม่แรงพอฟุ้งสั่นก็ฟุ้งอยู่ในทั้งชั่วโมงหรือบางทีไปถึงครึ่งวันยังนึกไม่ออกว่าจะแก้อย่างไรแต่ถ้ามีคุณคนที่มีกุศลจิตสูงวพอเหตุทําท่าจะเกิดออกมันเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมารู้วิธีแล้ว อ, อแก้มาแบบนี้ฉันแก้แบบนี้แก้มาแบบนี้ฉันจะแก้แบบนี้บบ น, บบ น, นะเพราะฉะนั้นนี่คืออํานาจของกุศลจิตมันจะช่วยเราตรงนั้นช่วยให้เราเกิด สติไวขึ้นในการแก้ปัญหาป่วักิ์ก็เป็นส่วนเสริมที่เราจะต้องมีด้วยว่าเอ๊ะปฏิบัติแล้วทำไมปรวยักิ์ปัญหาแค่นี้ง่ายๆทำไมแก้ไม่ได้เพราะกุศลและจิตของเราไม่ค่อยได้สั่งสมดังนั้นการทำบุญให้ทานเนี่ยมันเพื่อทำให้จิตเป็นกุศลอ่า น, นั้นโยมมาเยี่ยมก็บอกว่าเอ๊ะเราไม่รู้เราทา กรรมทำเวรมาเยอะแยะเนี่ยถ้าหากก็จะเพืงกําเพื่องเวรเนี่ยจําเป็นด้วยไหมจะว่าต้องมาปฏิบัติตถ้าทําบุญเยอะเยะเนี่ยมันก็ล้างได้ไหมธรรมะก็ถามว่าเวลาโยมจะปลูกต้นไม้เนี่ยโยมเตรียมน้ําเตรียมปุ๋ยเตรียมดินไว้เยอะแยะเนี่ยถ้าโยมไม่มีเมล็ดพันธุ์เนี่ยน้ําปุ๋ยเหล่านั้นมีประโยชน์ไหมคุณพรอ จะได้ยินยังไงฟัวมัวง่วงอยู่หลวงธรรมพ่อถา ม, มนีม่ว่าต้องแงะจนนั้นมาได้ไปทันเราไม่ตั้งสติเลยได้ยินอยู่ใช่ไหมง่วงก็ได้ยินอยู่ใช่ไหมแสดงว่ามีกุศลอยู่นเพราะฉะนั้นเองก็ในช่วงดังกล่าวเนี่ยเราทําบุญทําทานมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็ตดาษ ม, มันเป็นเพียงปุ๋ยและน้ําและดินที่ดีเท่านั้นเองแต่เมื่อใดเราเริ่มปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา เหมือนนึงว่าเราเริ่มมีซีสมีเมล็ดพันธุ์แล้วที่จะหยดลงไปนะหรือน้ำและปุ๋ยดินเหล่านั้นถึงจะเป็นประโยชน์ต่เมื่อมีต้นไม้และมีซีที่เริ่มปลูกลงไปบุญกุศลทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยมันมีความหมายตรงนั้นแต่ถ้าไม่เริ่มวิปัสนาไม่เริ่มสมถะแล้วยากนะแต่ถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์อย่างดีแล้วน้าไม่ดีปุ๋ยไม่ดีดินไม่ดีเป็นไง ก็ไม่รอดเหมือนกันรานอาจจะงอมกันแต่ไม่รอดนะนี่มันมันก็เป็นปัจจัยเกิดหนุนกันเงี้ว่าทานศีลภาวนามันเกืิอหนุนกันลักษณะอย่างนี้อ่าโยมก็ถามว่าจะทําไม่ได้ว่ากุศลนั้นเกิดจากวิปัสสนาเป็นกุศลสูงสุดในบรดาบุญทั้งหลายเพราะฉะนั้นทำวิปัสสนาอย่างเดียวเนี่ยบุญกุศลต่างๆ การภาวนาต่างๆมันจะรู้จักวิธีทาทําบุญน้อยได้ผลมากภาวนาน้อยได้ผลมากรักษาศีลน้อยแต่ได้ผลมากเพราะมันรู้จักวิธีทําถ้าทําวิปัสสนามันเกิดปัญญาว่าจะทําบุญอย่างไรแต่ทุกวันนี้คนไม่ได้ทําวิปัสสนาก่อนถ้าไปทําบุญบุญกุศล <c oughs> วัตถุสังฆทานที่ทําก็เลยไปกองเบลนเทินเถกที่วัดใช่ไหมแล้วพระก็ไม่มีวิปัสสนาเมื่อมีวิปัสสนาก็ไปเสวย ล า, าบสกัลระลาบสกัลละก็ฆ่าพระพระก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาที่จะบริหารลาบสกัลละนั้นให้เป็นประโยชน์ก็ไปติดแต่ความโลภอะไรก็เก็บเป็นของตัวหมดนี่ลาบสกัลละนั้นก็ฆ่าพระแต่พอเราพระที่เจริญวิปัสนาลาบสกัลละเกิดขึ้นเท่าไหร่กับเป็นประโยชน์ต่อมหาชนมีวิธีจัดการบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อคนเป็นส่วนใหญ่ เช่นหลวงปู่หลวงตาบางคนแย่งยมบริจา克าบสักระเกือขึ้นมากมายเอาไปทำอะไรไปส่งเคราะห์โรงเรียนไปช่วยเด็กยากจนไปสร้างโรงพยาบาลเอาไปช่วยเหลือให้คนมีงานทําอันนี้ลาบสักระก็เป็นประโยชน์ในส่วนนั้นดังนั้นเราก็จะรู้จักนั้นเวลายมไปทําบุญออกมาก็เลยบอกว่าเวลาไปบิณฑบาตอาหารที่ยมใส่เนี่ย ก็เป็นอาหารแบบชาวบ้านอาหารตลาดอาหารแบบใส่ชุบลูกหูกว่าตรงไหนใสก็ใส่ไปนี่เราเอาไปแล้วก็ฉันไม่ได้ถัาเต็มไป่ได้ผงชูรสเต็มไป่ได้สารพิษเต็มไม่ได้ความไม่สะอาดหมาก็บอกยมต่อไปใส่บาดเอาเอาผักนะยมนะเราอาหารไม่ต้องปรุงอ่ะยมไปใส่บาดนั่นแนหะได้อันนี้ส่งเยอะกว่าอ า, อาหารปรุงไปเพราะอะไรบางอย่างเอาไปแล้วมันเหลือมันเหลือมันก็ทิ้งพระไม่จะได้ฉันได้ทุกอย่าง ไปบินเทปบาทตอนหลังมันก็ได้ผักมาเต็มเลยเนีย่แล้วก็โยมไม่ต้องไปซื้อเนี่ยชุดหนึ่ง20่สบาสบาทถ้าโยมใส่ทุกวันโยมก็จนยโยมไปรับจ้างวันละร้อยสองร้อยเนี่มาใส่บาทพระไม่ได้ทุกวันเกิดพระไปวิ่ยาบาทหลายองค์ห้าองค์สิองค์โยมก็ใส่บาทไม่ได้แต่ถ้าโยมใส่บาทด้วยกันเนี่ยมีอะไรอยู่ในครัวโยมกกอะผิกเขือนเกลือปลาผักข้างครัวผักกระถินผักบุงผักอะไรที่อยู่ในบ้านโยมนะเก็บมา ต้องมาใส่วันต่อไปต่อมาเวลาพาไปมิเดียบัดอะได้ของเหล่านี้กับวัดเพียบเลยนะยงแม่ครัวเขาก็มาปรุงใหม่เพราะเราบินมาเราไม่ได้ฉันเลยบินประวาดมาหกโมงเจ็ดมงกลัวจะฉันแลาเก้าโมงสิบโมงแม่ครัวก็มีโอกาสปรุงตรงนั้นแม่ครัวเราปรุงก็เป็นแม่ครัวที่เราเอาไปฝึกกับหมอเขียวแล้วแม่ครัวเขาจะมาต้องไปฝึกกับพวกนี้ก่อนฝึกกับแพทย์ทั้งเลือกก่อนอ่แล้วก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอาหารร้อนอะไรเป็นอาหารเย็นอะไรเป็นอาหารที่ ร้อนมากเกินไปทําให้เกิดอะไรเย็นมากเกินไปผักไหนเป็นผักร้อนผักเย็นผลไม้ไหนเป็นผลลไ ม, ลไม้ร้อนผลไม้เย็นแม่ครัวก็จะรู้จักนะอันนี้คือวิธีการว่าเราจะต้องแนะนําให้เขาในทําในสิ่งที่มันเหมาะมันสมมันควรแต่ถ้าหากว่าพระพที่ไม่ได้ปฏิบัติวิสนาก็ไม่กล้าที่จะไปแตะต้องกระโยมกระโยมจะเสียศรัทธาเดี๋ยวผ่านไปบอกน้องนี่โยมไม่ใส่บาตรเสเลยเนี่ย <c oughs> เรื่องมาก จะกินหรือไม่กินไปนู่นนะไม่ใช่ทําตัวเป็นผู้เลี้ยงยากเนี่ยทำตัวเป็นผู้เลี้ยงง่ายต้องมีขบวนการหน่อยมีปัญญาหน่อยนั่นแล้วจะเห็นว่าการทําวิปัสสนาจึงช่วยเราได้เยอะ่ะนีให้สุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีแต่ถ้าหากว่าเราไม่เจริญวิปัสสนาปัญญาไม่เกิดเราก็าจัดการไม่ถูกเมื่อจัดการไม่ถูกมันก็สิ่งที่ดีก็กลายเป็นขอมเสีย ดังนั้นก็อยากจะให้แต่ละคนเนี่ยได้ศึกษาเรื่องวิปัสนาและเวลาลงมือทำก็ให้ทำอย่างถูกต้องถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วมันจะไวมากแต่ถ้าทำอย่างไม่ถูกต้องทำไปตามประเพณีทำไปตามความเชื่อว่ามันดีเนี่ยทำไปก็ไม่เป็นไหนเดี๋ยวมันก็เบื่อก็เลิกก็ทำไปแล้วไม่เห็นผลอะไรเราพยายามเกือบตายไม่เห็นได้อะไรก็เลิกไป แต่ถ้าทำถูกต้องมันจะเห็นผลชัดขึ้นมาทันทีเลยเพราะอ่อทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้อย่างสมมติว่าเราเป็นคนปรุงแต่งฟุ้งซ่าน ง, ง่ายเนี่ยพอมานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมเอาใจมาไว้ที่กายแล้วก็จะเห็นพระท่านก็นจะบอกเออในกายนี่มีความรู้สึกอะไรบ้างลองตามดูสิตั้งแต่หัวเจ้เท้าเนี่ยเอ า, เอ า, เอ า, เอาสติมาตามดูสิว่าเป็นยังไงตั้งแต่หัวเจาเท้ามีอะไรบ้างตอนนี้ตามดูกลับไปกลับมา จิตขณะที่มาตามดูกายมันก็ลืมอะไรลืมความคิดลืมความฟุ้งซ่านล่ะสมาธิก็เกิดโดยโดยอัตโนมัติใช่ไหมแต่อ๊มันดูหลายครั้ง ด, ดูไปดูมามันไม่มีอะไรจะดูมันเบื่อยงไงทำไงหนวงพ่คุณก็หาเรื่องดูไปเรื่อยพลิกบ้างเปลี่ยนบ้างยืนบ้างนั่งบ้างเออนั่งมารูสิ่งนี้ยืนนานรูสย่งนี้ เดินนามมนรู้สึกอย่างนี้มันก็มีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้ดูเรื่อยๆใช่ไหมเพราะนั้นเราจะมีการพลิกเปลี่ยนอิเดียบทตลอดเไยเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาสติไปลําดับการเห็นสิ่งเหล่านี้แต่ก็ดูในส่วนที่เราสามารถจะดูได้นะถ้าสมมติว่าเออหังจะดูให้เต็มที่เลยนั่งทีเดียวสามชั่วโมงเลยไม่พลิกไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ดูได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ถูกดูนั่นนะมันมันเข้มเกินไป เวทนาเข้มเมื่อเวทนาเข้มเกินไปไม่รู้จักปรับจักเปลี่ยนเวทนาตัวนั้นก็ไปบีบคั้นอะไรไปบีบคั้นจิตใช่ไหมเมื่อจิตถูกบีบคั้นแล้วสติปัญญาเป็นไงก็พลามัวและเวทนาแรงเกินไปสติปัญญาพลามัวก็ไม่เห็นสภาวะทำตามความเป็นจริงแต่พอเราทําไปตามกําลังของเราสิบนาทียี่สิบนาทีรู้สึกว่าเออความรู้สึก ไม่สบายมันเริ่มเกิดแล้วนะวก็ตามดูไม่สบายระดับไหนล่ะระดับที่ทนได้หรือไม่ได้ระดับที่มันจะไปเฮิร์ตจิตไปทำร้ายจิตหรือระดับที่จิตพอทนได้ก็ดูไปเรื่อยๆแต่มันมากเกินไปกำลังเวทนามากเกินไปไปบีบคั้นจิตไปทำร้ายจิตเข้าเราก็เริ่มเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนไปในขณะที่เปลี่ยนเราก็ดูเอ๊ะความที่มันเจ็บไม่คมันหายไปได้อย่างไรตั้งสติดูทังนั้นเลย แต่ถ้าไม่ไม่รู้ท่านบอกว่าเวลาเราสวดใช่ไหมอิติอัจชาตังวากาเยกายานุปัสสิปัสสิมีปกติพิจารณาเห็นกายายภายในไอภายในแก่ภายในกายนั้นมีอะไรอ่าวิทาวากาเยกายานุปสัปสสิพิจารณาเห็นกายภายนอกกายภายนอกคืออะไรนะกายภายนอกคือในส่วนที่เป็น รูปเป็นรุ่นเป็นแท่งมันเคลื่อนมันไหวมันเห็นน่ยกายภายในในส่วนที่เป็นเวทนาคือเย็นเย็นด้อนอน่อนแข็งเคร่งตึงเนี่ยมันอยู่ภายในกายก็ดูทั้งสองส่วนอ่ท่านบอกว่าสมุทยัยธรรมกายเยกายานนปสัสสิวิหารติเป็นผู้มีปกติเห็นทำอันเป็นเหตุเกิดขึ้นอะไรกำลังเกิดขึ้นในกายเขาขณะนี้เมื่อกี้มันเกิดขึ้นแบบความไม่สบายเกิดขึ้นแบบเบาๆใช่ไหม พรานานๆเข้ามันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆการดูไปเรื่อยๆมันกําลังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระยะธรรมากายเยกายานุปัสสีวิหารีมีปกติพิจนาเห็นทำอันเป็นเหตุดับไปหรือเสื่อมไปและความรู้สึกอันนั้นมันมันดับไปมันกําลังเกิดขึ้นก็มีกําลังดับไปก็มีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในส่วนที่ดับไม่ทันมันก็หลงเหลือเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมแล้วก็ต้องช่วยมันดับ ไปช่วยมันดับคือปรับแล้วก่อนที่ไอความรู้สึกหนักๆนี่มันจะดับไปทํำยังไงเราก็สติสัมยาเข้าไปตามดูอ๋อพลิกเอ๊ะทําไมเวลานั่งนานๆทาไมมันหนักขึ้นเรื่อยๆละ่ละก็สงสัยใช่ไหมตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนสังเกตตั้งข้อสังเกตแล้วนั่งไปแล้วก็พลิกแล้วทํามันเบาลงละ่ะนี่เขาเรียกว่าศึกษานะมันต้องมีเหตุนะไอความหนักความเบาไม่ใช่เกิดขึ้นโดย นะไม่ได้เกิดขึ้นโดยโดยธรรมชาติอะ่ะมันจะต้องมีเหตุของมันแหละที่มันหนักแล้วคิดต่อไปพิจารณาต่อไปไม่ชิดที่มันหนักเพราะว่าเลือดลมเนี่ยมันเดินหมุนเวียนตลอดเวลา blood circulation air circulation work all the time ตามกฎของอะไร uh, following the law of nature the what is the law? ของธรรมชาติ uh, changing, and uh, เปลี่ยนแปลงทุกข์ทรมานและหายไปหรือผ a านไปอุดหนุนเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เห็นเลือดมันก็เวียนลมมันก็เวียนแต่ที่เรานั่งนะไปนั่งทับท่อเขาใช่ท่อเลือดท่อลมเซี้ยวต่างๆที่มันส่งการหมุนเวียนเนี่ยเราไปนั่งทับเขาด้วยน้ำหนักของเราเมื่อทับเขาเข้าไปไม่ได้ ไปไม่ได้เขาก็ติดตันอยู่นั้นเพราะปิดตันมันก็เกิดกันต่อสู้เกิดกันดันในการที่จะผ่านให้ได้ดันไปดันมาเราก็เกิดอาการหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนรถติดอ่ะมันติดจนถ้ามันไปไม่ได้ไอ้คันหลังมันก็มาดันไอ้คันหน้าว่าไอ้คนขับว่าอารมณ์เสียแล้วดิเนกดอเดียวกันแต่พอเราเกิดรู้อย่างนี้เราคือขยับเอาตำรวจมาคือปัญญาหรือเป็นตำรวจนะครับเปลี่ยนเขาเปลี่ยนในรถ ติดขัด จ, จราจรหลไปจูดเลยที่นี่วิ่งขับไปเลยคนขับก็ดีใจว่าเออไม่ติดและใช่ไหมใจเราก็ดีขึ้นมา เ, ออเบาอพอนั่งลงไปอีกเดี๋ยวก็หนักมาอีกใช่ไหมเราก็ตามดูไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละที่เขาเลือกหาเรื่องดูมันเพราะขณะที่ดูในหารู้ไห้ว่านั่นคือการพัฒนาตัวแหละตัวกําลังของสติสมาธิปัญญาเพราะจิตของเราไม่ได้ส่งออกจิตของเรากลับเข้ามาพิจารณาถึงสภาวะที่มันมันกำลังเป็นอยู่เนี่ย หลายรอบเข้าหลายรอบเข้าหลายรอบเข้าจิตของเราก็เริ่มนิ่งอยู่กับปัจจุบันได้นี่คือลักษณะที่ว่าวิปัสนาเราจะต้องเห็นสภาวะลักษณะของเป็นการศึกษาและการเฝ้าดูแต่ถ้าว่าเป็นสมถะเป็นไงดึงจิงเข้ามาอยู่ปัจจุบันแต่ว่าไม่พิจารณาสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนี้บังคับให้จิตอยู่อย่างเดียวให้รู้ปัจจุบันบังคับให้จิตอยู่ มันก็อยู่ได้แต่มันอยู่ด้วยความบังคับอ่ะเหมือนเด็กอ่ะตามปฏิเข้าไปนู่นไปนี่ใช่ไหมทีนี้ไปแล้วปรากฏว่าเขาซนเขาเกิดความ อ, า อ, อุบัติเหตุอะไขึ้นมานําความเดือดร้อนมาสู่พ่อแม่แล้วบอกว่าไม่อนุ ญ, ญาตให้ไปนะบังคับให้อยู่เด็กมันก็ดิ้นพล่านเลยทีนี้ทีนี้พ่อแม่ที่ฉลาดก็ไม่ต้องบังคับคือไอ้ไหนูไปนู่นไปเที่ยวทีนู่นมัน มีปัญหามันไม่สเอา้าพอหาของเล่นให้แม่หาของเล่นให้มันก็สนุกแต่ของเล่นเดี๋ยวนี้อันตรา ย, ยมือถืออินเทอร์เน็ตของแท็บเล็ตอะไรเนี้เกิดอันตรายไปอีกทางนี้ของเล่นนี่ก็เสี่ยงอีกอันนี้ก็เหมือนกันวิธีการวิปัสสนาคือการดึงจิตที่ชุกซูเหมือนเด็กเนี่ยกลับมาอยู่ในบ้านคือร่างกายนี้แล้วก็ผลิตของเล่นให้เขา ของเล่นก็คือดูกายดูใจดูการเปลี่ยนแปลงของรูปของนามการเปลี่ยนแปลงของอนิจจมทุกขังนาตาการเปลี่ยนแปลงของท่าสีในร่างกายของเรามีอยู่ตลอดเวลาพอจิตเข้าไปาพิจารณาไปเล่นไปเฝ้าดูไปสังเกตไปศึกษาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรกายความรู้สึกที่เป็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรเฝ้าดูไปเฝ้าดูมา มันก็เกิดปัญญาเห็นเห็นจริงอ๋ออันนี้มันไม่ใช่ตัวเรานี่อันนี้มันคือกระบวนการของธรรมชาติที่มันกำลังไหลรุล่นหมุนเวียนกันอย่างไม่หยุดหย่อนเนี่ยอันนี้คือขบวนการของธรรมชาติที่ได้มาแต่พ่อแต่แม่ได้มาด้วยอํานาจของกรรมแล้วจะมาสําคัญมันหมายว่าไอขบวนการสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นท่าตสี่รวมกันเข้าอาการ3 2มรวมกันเข้ามาเป็นเรานันคงไม่ใช่นะ ใช่ไหมมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็คือการรวมตัวของถ่าสี่ขันห้าแต่เราไม่เกิดปัญญาเราไปคิดว่าท่าสี่ขันห้าเป็นเราใช่ไหมเป็นของเราเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสียหายมีการํารุดมีการบีบคั้นขึ้นมาเราก็ไปคิดว่าเราถูกทำเราเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงเป็ น, ป น, ปนอย่างนั้นถ้าเราจัดการเงื่อนไขไม่ดีแต่พอมาพิจารณาอย่างนี้ปั๊บอ๋อ เมื่อสังขารทั้งหลายคือกายกับใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแต่ละเวลาตามกฎของอนิจจมทุกขังหน้าตาเม่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าอย่าประมาทนะนะท่านบอกอย่าประมาทพยายามดูแลพยายามจัดการพยายามเอาใจใส่ศึกษาจัดการเงื่อนขให้ถูกแล้วเราก็จะไม่สร้างทุกต่อเราจะระบายทุกทิศได้มาแล้วออกไปเกิดขึ้นออกไปและทุกที่จะเกิดใหม่ก็ไม่เกิดเราก็พออยู่ได้สบายสบายใช่ไหมจิตใจก็ ร่างกายก็ปลอดภัยจิตใจก็สงบชีวิตก็มีความหมายขึ้นมามันมีความสุขอยู่บ้างแต่ถ้าเราไม่เจริญวิปัสนาไม่เจริญปัญญาอย่างนี้เราก็อยู่ด้วยความอึดอัดขับแค้นปัญหาเยอะเพราะไม่เข้าใจกุลไกล่เพราะเราไปสําคัญผิดว่าร่างกายนี่เป็นของเราไปสําคัญผิดว่าจิตใจและความคิดเป็นของเราแต่ความจริงมันไม่ใช่ของใครเลยมันคือขบวนการ แต่โดยที่เราไม่ได้ศึกษากระบวนการของสังขารการเปลี่ยนแปลงของใจรักเนี่ยเราก็สำคัญผิดคิดว่าเป็นเรานะก็เป็นของเราอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับเราก็เป็นของเราหมดมันก็ทุกข์เพราะ น, นั่นแหละทุกข์เพราะสำคัญผิดนั่นแหละงั้นมาปฏิบัติวิปัสนาก็เพื่อมาเปลี่ยนความเข้าใจเพรานั้นเองเปลี่ยนความเข้าใจผิ ด, ดจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ที่นี้เปลี่ยนให้เป็นสมาธิทิฏฐิเอาอะไรมาเปลี่ยนก็คือตัวรู้นาคือตัวรู้ที่เราทำอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวรู้ถึงสร้างเยอะมากเลยลำพังเราจะมาเก็บกล้การยกมือการสร้างจังวหวะหักคอเนี่นไม่พอแต่อันนี้คือเป็นเป็นโมเดลเป็นแบบอย่างที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงเท่านั้นเองอันนี้คือสนามเพาะสนามฝึกไม่ใช่สนามจริงสนามจริงของเราก็คือ ชีวิตจริงของเราที่จะออกไปทำการทำงนานก็เกี่ยวข้องกับผู้ ก, กับคนออกไปกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆว่าเราเอาไปใช้ได้แค่ไหนเอาไปบอกได้ใช้เป็นเห็นชัดจัดถูกก็ชื่อว่าเราเข้าใจถูกล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้กข้างนอกไม่ได้ต่างกันเหตุการณ์ในกายของเราใช่นั่ง น, น้นปวดหน้าข้างนอกนานไปก็นนปวดเหมือ น, นกันอยู่ที่นี่ มันเบื่อไปอยู่ข้างนอกมันก็เบื่อเหมือนกันอยู่ที่นี่มันคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปข้างนอกว่าคิดฟรุงแต่งฟุ้งซ่านเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเราไม่มีวิธีการจัดการเราไม่รู้วิธีการเราก็มาฝึกพอมาฝึกแล้วได้อุบายได้วิธีการเราก็ไปจัดการกายเวทนาอารมณ์ต่างๆที่เราเออกไปข้างนอกเหมือนเดียวกันแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้จักวิธีจัดการมันก็อาการกายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด จึงไม่เป็นผลให้เกิดปัญญามันเป็นผลให้เกิดตัณหาอาวิชชาตัณหาอวทานไปเรื่อยๆเพราะความไม่รู้ใช่ไหมแต่พอเรามาพัฒนามาทำแบบนี้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมาว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาไปสังเกตเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นปัญญาได้และปัญญานี่เราก็จะเห็นความเป็นจริงในกายในใจของเราเพื่อเห็นความเป็นจริงแล้วมันก็จะถอนความยึด มั่นถือมั่นถอนอุปทานจากร้อเปเซนหนึ่งไปถอนลงมา90้าสิเจ็ิอร์ซเมื่อตัญหาอุปทานมันค่อยถอนตัวไปจางไปสิ่งที่เขาไปแทนที่คืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาก็เติมไปเรื่อยๆศีล ส, สมาธิปัญญาจะเต็มเมื่อไใดก็ต้องดูระดับของการลดของอวิชาดัญหาอุปทานถ้าอวิชาตัญหาอุปทานเต็มร้อยอยู่เนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาไม่มีที่เข้า ไม่มีช่องว่างไม่มีรมูให้เกิดนะนันนี้คือหลักของกฎของธรรมชาติกฎของวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมาถ้าหากว่าเราไม่สร้างดวงตาที่สามขึ้นมาเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัตินี้เรามาสร้างดวงตาที่สามก็เรียกว่าธรรมะจักษุนะและธรรมะจักษุนี่เองที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงตรัสถึงความจริงอันนี้ครั้งแรกคนที่เห็นครั้งแรกที่สุด เชื่ออะไรนะอัญญาโกทิยะใช่ไหมอ่าเห็นนะธรรมจักขุงจักขุงอุทัปฏะทิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาวอุทัปปิอาโลกูอุทัปปะทิเราส่วนในธรรมจักอ่ะคำว่าจักขุงอุทาาัปปิตรงนัง้นจักสุเกิดขึ้นแล้วไม่ได้หมายถึงมังจะสักสุหรือตาเนื้อแต่ท่านหมายถึงตาอะไรจักขุงอุทัปปะยานังหมายถึงตาญาณ ปัญญาทัาพบริหมายถึงปัญญาวิชาวทัพบริหมายถึงวิชาอโลโกอุทัพบริหมายถึงแสงสว่างความแจ่มแจ้งในใจของสติปัญญานั้นคือตาที่สามเพราะฉะนั้นธรรมะจากสูตรนั้นจึงหมายถึงสี่ดวคือญาณปัญญาวิชาและแสงสว่างนะนั้นเวลามาถามยงยงเวลาไปวัดเนี่ย ท, ทําไมเทียนนึงจุดไว้แค่สองเล่มไม่เอาสักหาเล่มสิบเล่มจะได้สว่าง หรือมาจูบเป็นสักเล่มหนึ่งมันจะได้ประหยัดทำไมจุบแค่สองเล่มโยมตอบได้ไหมทำไมจูบแค่สองเล่มอันนี้ชาวพูดนะเอออันนี้ถ้าไปวัดเราไปเจอบเทียนก็ดูไปดา่ดาๆแต่ทำไมต้องมีดอกไม้ทำไมต้องมีทูบเทียนโอ้ oh, this really important in our day when we go to the temple we go to chanting hall or Buddhist hall you will see the two candle and three In sense, why they have only two? Why they have only three? Why they have get more? Why? You need to. That's the symbolic of the truth. Ah, uh, Tian two leaves. Nan, is. Everyone, human being, human must have t w e y e Two eyes. t w eyes. Which eye? If the left eye, the right e e t w l ตาซ้ายกตาขวต่างก็เป็นตาเนื้อใช่ไหมเพราะนั้นตานอกได้แก่ตาที่รักษากายตาในคือตาตาที่รักษาใจตอนนี้เรารักษาใจได้หรือยังเมื่อให้ใจโลคเมื่อให้ใจปวดไม่ให้ใจหลงไม่ให้ใจโกรธเก็ียดขีขุนเนี่ยรักษาได้หรือยังพระยังขาดอะไรขาดดวงตาหรือมีดวงตาแล้วแต่ว่ามันยังเปิดนิดเดียวนะ ทันที่ว่า o n e h a n d completely มันเปิดแค่ f 0 v e h a n d e d ten-handed d o u n e d t o Tool e a r n our Thai language อธิบายอยู่ n ค่ a ั้นเก e ตดีบุหรี่ไม่หนึมันไม่ีเ to explain about that you know? <laughs> <laughs> ดังนั้นเราก็จุดมาแล้วจุดเริ่มซ้ายเริ่มขวาก่อนอ่ามีความหมายนะ มาแล้วจะจุดทู่หรือจุดเทียนก่อนเอ่อไม่ใช่จุดมั่วนะเออมันมีความหมายเขามันจุดเล่มซ้ายหมายถึงเปิดดวงตานอกเปิดจุดเล่มขวาหมายถึงเปิดดวงตาในนะเพราะนั้นตานอกเราต้องเปิดก่อนเพราะนั้นจุดเทียนก็จุดเล่มซ้ายก่อนแล้วก็ไปจุดเล่มขวาตาตานอกดีบางทีตานอกดีก็ยังรถขับรถไปชนกันเฉยใช่ไม ตานอกดีก็ยังไปตกหลุมตกร่องเหยียบน้ําเหยียบนายเพราะตาในอ ย, ย่างนี้ไม่เกิดเพราะฉะนั้นแม้แต่นอกก็สมบูรณ์ไม่ได้หรือบางทีตาเสียอีกต่างหานต้องใส่แว่นอย่างอาตมานี่นะดังนั้นจะเห็นว่าทั้งสองอย่างเนี่ยจึงจุดแค่สองเล่มจุดดวงตาของชีวิตทั้งตานอกและตาในาให้ดีเพราะฉะนั้นตัวเทียนสองเล่ม หมายถึงตานอกและตาในตานอกต้องใช้สติตาในต้องใช้ปัญญาเพราะนั้นหมายถึงสติปัญญาและหมายถึงพระธรรมเพราะสติหมายถึงพระวินัยปัญญาหมายถึงพระธรรมนี่มีความหมายลึกมากนะเพราะนั้นต้องจุดสติปัญญาให้เกิดขึ้นก่อนถ้าคนนั้นอยากจะมีชีวิตที่ดีไม่ตกหลุมตกหล่อไม่มืดไม่บอดเนี่ยต้องจุดสติปัญญาให้เกิดขึ้นแม้แต่การศึกษาภายนอกก็จุดสติปัญญาให้ตานอก นะเรามาศึกษาภายในคือศึกษาวิปัสนาเพื่อมาจุดดวงตาภายใน i n นเนอร์ Actually we have two eye นะ n ินเนอร์อา external eye internal eye inner eye and outside eye yeah. the two candle is symbolic of two eye inner eye and also outside eye is mean mindfulness You need to s a v e your body, your body with the mindfulness, mindful action. You need to shape your mind with the insight wisdom. So the two of candle is mean mindfulness y e or insight eye. Need to take care your body and mind. แล้วเทียนสา e เรื่องหมายถึงอะไรทู่ท เมื่อมีตาแล้วมันจะมีการกระทําอยู่กี่อย่างในกายเราสามอย่างกายกรรมวิชีกรรมมนุกรรมต้องเป็นทูบหอมด้วยทูบเหมนไม่ยอมจุดน ะ, ะหมายคาอว่าการกระทําทางกายต้องฟุ้งกระจายไปด้วยความคุณงามความดีเหมือนของหอมแต่ทําทไปแล้วเอาความชั่วกระจายออกไปนั่นก็ทูบเหม็นลวนะ แล้วก็วาจาที่พูดออกไปถ้าเป็นกุศลถ้าเป็นสติปัญญามันก็พูดแล้วก็คนก็อยากจะฟังต่อไปมันหอมนะทางจิตที่คิดออกมาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจิตใจแล้วมโนกรรมแล้วก็ดีจากนั้นทูบสามดอกหมายถึงกายกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมทั้งสามกรรมทั้งสามของเราแล้วก็จุดนะแล้วดอกไม้หมายถึงอะไรดอกไม้หมายถึงผู้ หมายถึงสังขะว่าดอกไม้ที่มาใส่ในใจกันมันมีตั้งหลายอย่างใช่ไหมแต่ที่นี้มีเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งวุติ ด, ดอกไม้หลากหลายต้องใส่ในใจกันหมายความว่าคนที่เข้ามาบวชเป็นสังฆาเนี่ยมาหลากหลายตระกูลการศึกษาประสบการณ์สิ่งแวดล้อมแต่มารวมในธรรมวินัยคือใจกันแล้วเนี่ยก็จะสวยงามถึงแม้ว่ามีความแตกต่างกันด้านเพศ ไอันศึกษาอะไรต่างพอมารวมในพระธรรมวินยัยพระธรรมวินัยเหมือนแจกันก็หลอมให้สังฆะบุคคลเหล่านั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าสังฆะคือสามาัคคีก็จะสวยงามใช่ไหมเพราะนั้นพระพุทธหมายถึงเทียนพระธรรมหมายถึงทุบพระสงฆ์ก็หมายถึงดอกไม้ So t ุกแคร์ e ด s ยส์มีเด h ะบุดะทร อิ e เซ s แวสังฆะบูทรญชีมทีทรญมลัตตาไตรทรม่สัญงริมตนั้นจะเห็นว่าการเจริญสติการเจริญปัญญาจึจงเป็นสิ่งที่จาเป็นเป็นการเปิดตานอกตาในาให้เราให้สว่าง ถ้าหากเราใช้ชีวิตโดยปราะศะจากโรงตานี่อะไรจะเกิดขึ้นเรามักจะว่าอะตาหนิแช่งกันเสมอเนะี่ยมันทําไมน้งบอดมันหนวกอย่างงี้นะทำไมมันมืดบอดอย่างงี้นะเป็นคําด่าที่เป็นไงแสบมากๆเลยใช่ไหมออโอ้เดี๋ยวนี้เขารู้แล้วอะไรเป็นจริงตาสว่างแล้วนแสดงว่าเขามืดบอดกับเรื่องเหล่านั้นมานานตาเพิ่งสว่างโดยเฉพาะใ น, นเรื่องสับกันมือใช้กันมากนะโอ้เดี๋ยวนี้ผมตาสว่างแล้วอะไรใช่อะไรไม่ใ ช, ใช่ใช่ไหม นั่นหมายความว่าเราก็มืดบอดกับเรื่องเหล่านี้มาก่อนพอได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เข้าใจอะไรลึกขึ้นลึกขึ้นเกิดดวงตาในตาสว่างเขาว่าตาสว่างหมายถึงตาในแต่ว่าไม่ได้สว่างในเรื่องของวิปัสสนาสว่างในเรื่องของเศรษฐกษิจการเมืองสังคมการศึกษา น, นก็ตาในอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ตาในแบบที่ปรสนานะดังนั้นเราจะเห็นว่าในพุทธศาสนาเนี่ยจึงอุดมไปด้วย ภูมิธรรมภูมิปัญญาแต่ไงก็กลายไปเป็นเรื่องสยศาสตร์ก็ได้นะเมืองไทยนะเต็มไปด้วยสยศาสตร์ 80-90% เ้าเใช่เพราะว่าคนเอเชียรเราหรือคนไทยเราไม่ใช่ประเภทชอบเรียนรู้อะ่ะแต่ชอบเชื่อไว้ก่อนใช่เพราะว่าทาไมเชื่อเพราะว่าผู้นำเราบอกให้เชื่อเราเชื่อผู้นำ เชื่อผู้นำรสชาติพ้นภัยใชแล้วก็ฝังมาตลอดไม่รู้กี่ศตวรรษแลาต้องเชื่อผู้นำไว้ก่อนแต่ผู้นำนำยุคใดสมัยไหนผู้ใดนำไปดีก็ดีไปผู้ใดนำไปชั่วก็ชั่วหมดมันก็เลยใช้ศรัทธาตามผู้นำบังคับให้เชื่อเลยนะถ้าไม่เชื่อยังงี้ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นโดนมันก็เลยฝังกันมาหลายศตวรรษก็มีผลต่อด้านจิตใจแล้วนักผู้ศาสนาก็จริงแต่ว่าผู้นำไม่ได้เข้าใจผู้ศาสนาเพราะนั้นผู้ใดจะให้ข้อมูลที่ผู้ศาสนาถูกร่องแกเราไหม ใหม่พุทธศาสนาก็เลยกลายเป็นพราหมโดยอัตโนมัติเพราะผู้นําเองก็เป็นพราหมณ์ทําพิธีกรรมอะไรต่างก็ยังเอาพราหมณมาทําอยู่ไม่ยอมเอาพูดมาทําอันนี้จะเป็นเรื่องการเมืองแล้วนี่นะเดี๋ยวพอเราติดอารมณ์อย่าอย่าไปลึกกว่า น, นั้นเลยนั่นจะเห็นว่าบังเอิญในที่อาสรมศริษย์เราได้ผู้นําที่มีดวงตาใช่ไหมเราก็ได้มีโอกาสได้ทําสิ่งนี้ซึ่งเราจะต้องอเชิดชูบูชากันตรงนี้ว่า สามารถเปิดดวงตาเปิดไม่ได้เองก็นิมนต์พวกหลวงพ่อนี่มามาช่วยมาเปิดแทนแต่หลวงพ่อก็เปิดให้ไม่ได้แต่หลวงพวอ่อบอกวิธีเท่านั้นเองถ้าหลวงพวอ่อบอกวิธีแล้วยกไม่ทําตามตาก็ยังเป็นไงก็ยังบอดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่บอกวิธีแล้วเราเอาไปทําตามดูตาก็สว่างได้เหมือนกันนะตอนนั้นเองในคําสอนพระพุทธเจ้าท่านจะเวลาท่านแสดงธรรม อ๋อผู้นี้ได้ดวงใจเห็นธรรมใช่ไหมเราจะพูดว่าโอ้ผู้นี้ได้ทำมาจากสูแล้วล่ะคนไหนได้ดวงใจทำได้จากทำมาจาสูงพูดเจ้าก็ไม่จําเป็นต้องเน้นต้องสอนต่อไปแล้วเดินเองก็แล้วกันตาเปิดแล้วอย่างท่านพระกุณธัญญาใช่ไหมจังคุงอุทภาพปฏิญาณอุทภาพปฏิเกิดแล้วนี่สิ่งคําไหนที่เป็นเหตุให้จากสูของท่านกุณธัญญาเปิด จะต้องมีคำหรือมีกุญแจนะไม่ใช่เปิดได้ง่ายนะมันคลิกขึ้นมาในใจอะ่ะคำนั้นมันคลิกขึ้นมาในใจพอบอัพขึ้นมาในใจคำนั้นยังกินจิ i, สมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติถ้าไปสวดในธรรมจักจะมีคำคำนี้อยู่นั่นก็คือตัวกุญแจยังกินจิ i, สมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรมมันติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้น แล้วสิ่งนั้นต้องดับมันอยู่ไม่ได้หรอกต้องดับเห็นขึ้นมาอ๋อย่างงั้นในการที่เราไปสําคัญมั่นหมายว่าอันนั้นอันนี้แสดงว่าเราไปเชื่อมันมีแต่เกิดเราไม่เห็นการดับของมันใช่ไหมเราเข้าไปยึดความจริงมันดับไปตั้งนานแล้วเนี่ยความคิดเนี่ยความคิดขึ้นมาครั้งหนึ่งมันดับไปตั้งนานแต่เราไปยึดใช่ไหมเราคิดไม่พอใจเพื่อนไอ้ความคิดนั้นยังอยู่ไหมไม่อยู่แต่มันยังมมคั้งหนึ่งในใจเพราะเราไปยึดมันไว้ใช่ไหม เรียกว่าตัญหาอุปาทานบางทีเพื่อนด่าวไปทั้งหลายวันแล้วใช่ไหมแต่เรานึกได้เราเอามากรดวันนี้อีกด้วยอํานาจของอะไรตัญหาอุปาทานบางที่เขาจีบเราทั้งหลายเดือนหลายปียังประทับใจอยู่เอามาคิดได้เรื่อยๆอยู่แต่ความจริงเรื่องนั้นผ่านไปทั้งหลายเดือนหลายปีแล้วใช่ไหมเราก็เอามายึดเอาไว้อยู่เคนนั้นรักเราคนนั้นชอบเราคิดถึงเขาด้วยอํานาจของอะไรตัญหาอุปาทานนี่เห็นไหมเพราะเรายังไม่ได้เกิดดวงตา พอเดือดดวงดามันจบไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นทีและขณะขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับใช่ไหมมันไม่ได้ยังอยู่เลยแต่ที่ยังอยู่คืออะไรความไม่รู้ของเราคืออวิชชาด้หาหาวัฏฐานนั่นเองเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเอาตัวอะไรออกเอาตัวไม่รู้ออกเอาตัวอยากออกเอาตัวคิดออกเอาตัวยึดออกแค่นี้แหละสติสัสมปัญญาก็เกิดขึ้นดวงตา ก, ก็เปิด ท่านพานยากญยาเห็นอย่างนี้นะสา ต, ตรุรีเลยนะเป็นเอาเวกขึ้นมาคอมพิวเตอรเอาเวกเปนวันนะเก็จนะเป็นคนที่ตื่นตัวเต็มที่เลยแต่ในความขั้นเบื้องต้นนะคนที่ได้ดวงใจเห็นธรรมหมาเป็นพระโสดาบันเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นพระอรหันนะนะท่านต้องเก็บอารมณ์อีกสามเดือนใช่ไหมกว่าที่ท่านจะ บ, บรรลุอรหันสมบูรณ์นะ่ะนนี้ก็เหมือนกัน อย่างพระสารีบุตรหรืออันที่ท่านเป็นขึ้นหัน <c oughs> อุปติสานี่ท่านได้คลิกได้ดวงตาเห็นทางึ้นมาจากพระองค์หนึ่งชื่อว่าอาชิ ช, ชี้ใช่ไหมอาชิชพูดยังไงกับท่านเกิดคลิกขึ้นมาคําพูด น, นั้นคือเป็นกุญแจโยมจำไม่ได้หรอกแต่ามาจําได้เยธรรมมาเฮตุภาวาเตสังเฮตุงดทากาโตเตสัญจะโยนิโลโทจักเอวังวาทีมหาสัมโนยาวกว่าพระอนุญาตคุณญาณหน่อย เพสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุมันมีเหตุไม่ใช่เกิดโดยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีเกิดโดยอุบิเหต์ไม่ได้เกิดโดยบังเอิญแต่มันต้องมีเหตุให้เกิดมันมีเหตุให้เกิดมันก็ง่ายสิเวลาความทุกข์เป็นเหตุหรือเป็นผลความทุกข์เป็นผลใช่ไหมเหตุมาจากอะไรอ่ะมีเหตุเหตุมาจากสมุทัยใช่ไหมสมุทัยมีอะไรบ้างตัณหากวามาตัณหาเพราะวตัณหาวิเพราะวตัณหาคือความอยากที่อาจารย์ทิริวัตรว่าเมื่อวาน เพื่อนมาไปซื้ อ, อ ส, ส้มตำให้โกรธใช่ไหมเห็นมาจากอะไรเขาอยากกินส้มตำเนื้นั่นเองวานให้เพื่อนไปซื้อเพื่อนไม่ไปโกรธนั่นเองคือตัวอยากเป็นเหตุให้เกิดโกรธโกรธก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็เป็นผลเราอยากจะกลับบ้านพ่อบ้านไม่มารับสักทีนึงเป็นไงผู้ปฏิบัติที่เบื่อเลิกคนเนี่ยกลับบ้าน ท, ทําท่าโทรไปหาพ่อบ้านบอกว่า นี่มีธุระด่วนพอ่อวันมารับแล้วไปง่ายดีแต่พอ่อวันไม่มา อ, อ๋อโกรธอีกนะคืออยากนี่อยากจะกลับบ้านามันนั่งทําอะไรที่เ ง, งีงยทั้งวันทรมานเหลือเกินไม่เห็นได้อะไรนะ่ะเอาเงิเอาเวลาไปทำํำอนนุนั่นจะได้ประโยชน์มากกว่านะอะไรวิชาดัญหาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติรู้ทันมันไม่ความคิดแบบนี้ไม่ทันเพราะไม่ทันเพราะคิดยาวไปเรื่อยเดี๋ยวดึงเรากลับบ้านจะได้แล้วงั้นเลยนี่ อันนี้คือความอยากแต่ว่ามันละเอียดบางอย่างมันแนบเนียนสมัยนี้เขาเรียกว่าเนียนมากใช่ไหมมันเนียนมากเราไม่ทันทันแต่ถ้าสติวิปสนาปัญญาเราฝึกมาดีมันจะเนียนกันอไหนแล้วก็รู้เท่าทันเออมันมาแล้วนะเพราะสิ่งเหล่านี้ความอยากมันเกิดขึ้นอาศัยอะไรความอยากเกิดขึ้นะคิดในทางอยากความยึดความอยากเกิดขึ้นพออาศัยอะไรอาศัยความคิดอ่า เราไม่รู้เท่าทันความคิดใช่ไหมความอยากมันก็เกาะเลยนะความอยากมันเป็นกฎของใจรักความคิดเกิดขึ้นก็เป็นนามารูปใช่ไหมมันมีรูปอยู่ที่พูดไปเมื่อวานน่ะเมื่อมันมีรูปอยู่ต้องกดของอนิจจังทุกอยงก็ต้องเข้าไปไปพัฒนานำรูปให้เป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นตันหาอุปทานไปเรารู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเอไปห้ามความคิดไม่ให้เกิดไม่ได้ความคิดมันต้องเกิดจะทํายังไง ที่เหตุของความคิดเกิดจากอะไรไปหาเหตุของความคิดอีกไปหาเหตุของเหตุของเหตุของเหตุอีกเหตุที่ให้เกิดความคิดเพราะเพราะขาดความรู้ตัวอาจิตไปอยู่นอกนอกตัวใช่ไหมพราอจิตไปอยู่ในตัวปั๊บมันไม่เห็นความรู้ข้างในรู้เรื่องอะไรรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงไวรู้การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพอมารู้อย่างนี้ตลอดความคิดที่จะสร้างภาพสร้างเรื่องขึ้นมา มันก็ไม่ค่อยมีโอกาสใช่ไหมพอจิตของเรามามาเฝ้าดูแต่เรื่องเหล่านี้ไอการที่ไปสร้างอิมเมจขึ้นเนี่ยมันก็สร้างยากแต่พอมันสร้างขึ้นมาเผลอสร้างมาป้าไปไงเราก็รู้ทันมันพอรู้ทันมันก็เขี่ยทิ้งมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกับแมงวันน่ะมาเกาะเนื้อสดๆหลือปลาสดถ้ามันเกาะแป๊บเดียวมันทันได้ไข่ไหมถ้าเกาะนานไว้ได้นะเกาะนานมันไข่ลงไปปลากลายเป็นอะไรกลายเป็นหนอน ความคิดมาเกาะใจเรานานมันไข่ไขอะไรไขอวิชาตธหาอวทานลงไปพร๊บเดี๋ยวกลายเป็นหนอนหนอนคืออะไรยุบยับเลยคิดปุงแต่งนั่นเลยหนอนแหละละ ว, วันมันเกิดเยอะไหมเยอะหนอนเข้าไปปลายเหตุแล้วหนอนเกิดนี่นะความคิดปรุงแต่งเรียกว่าหนอนไอ้ตัวมแมลงวันก็คือตัวอวิชาสังขาริญญา น, นำรูปที่ว่าที่ว่ามาสิบเบสออย่างนั่นก็คือตัวไข่แมลงวัน อย่าเผอให้มันจับนานนะถ้าจับนานมันไข่ใส่แล้วที่นี้ยุ่งเลยลเอาไม่ออกเลยเออกมาเป็นตันหาประธานไขม่มันวันๆคิดยุบยับในใจเลยหารู้ไหมว่านั่นคืออะไรหนอนแห่งอวิชาแต่เราก็ชอบใช่ ม, มเราชอบพ่อว่าะอะไรย่กัมันมานานนกมาเห็นฟ้าคำนี้แสบน ะ, ะนกมาเห็นฟ้าปลามาเห็นน้ำคนมาเห็นทุกข์ก็เหมือนกับ นอนอยู่ในช่วงไม่เห็นคู่ที่ดูดกินแฉลบนะแต่เราก็พอใจอ่ะหนอนนี่ยกขึ้นจากส้วมไม่ได้นะมันตายแลย้วมันไม่มีของกินเราได้ยกออกมาจากความคิดในดินผ่านๆเลยใช่ไหมเพราะไม่ได้คิดเขาไปสนุกโอ้พุทธเจ้าทําไมท่านตึงขนาดนั้นเห็นชัดนะหลายหมืน่นหลายแสนปีจะพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ครั้งหนึ่ง แล้วท่านกา็นำมาบอกเราเราก็มาบอกต่อๆกัอนอย่างเงี้ยอาจจะหมดเวลาอีแล้วนี่เ น, นาะนแล้วจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้พยายามใส่ใจมันหน่อยแต่บางครั้งมันฝืดมันฝืนเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจก็ทำความเข้าใจบ่อยๆนะแล้วเราจะง่ายขึ้นบอกให้ลีลาวดีห น, หน่อยน้สงสารแกนั่งฟังอะไรก็ไม่รู้นะ We talk about uh, how to open our inner eye, how to uh, get on inner eye. I try to keep the inner eye here is mean wisdom eye, insight eye. How we open it? We try to keep the mind and body together. Actually, the mind we have strong, very great power. Very, v y strong energy. When you keep the k i n d a i i n i stay h e p r e s n t y we can see everything clear in the body. Clear about have bodily feeling, mental feeling. Such a bodily feeling creates many feeling: happy feeling, unhappy feeling, like feeling and dislike feeling. Okay, you try to see it through, and also mental feeling creates many. มีนิยมิติ่ง like a desire attachment anything in e g a t i v e thought you see it clear and let it go don't attach it if you try to attach as a thought moment like t e fly the fly when they see some fresh meat okay they hold it but as soon h a t they give the the egg but the egg of the fly become warm understand it worm, worm a r s o can eat a lot of things e a the lost meat. The same thing, when they u n d e r w t a n e it, like a fly, come to hold your mind, come to catch your mind, and also they give the egg, that egg like a desire, attachment, mental formation, and try to form the thought, become conception thought, wavering thought. Wandering thought, negative thought pop up. That's like a worm, try to destroy your mind, try to uh, collapse your mind, terminate your mind. Okay. When you try to observe it, like you try to develop the energy of mind f o e it for kill the unawareness. Unawareness we call avisha or ignorance, ignorance or unaware. Because you ignore yourself, you never take care yourself, take ignore your mind. Become ignorance. Don't ignore of that. Try to be aware of that. That's the meaning. What I say. What I talk about it. หมดเวลาแล้วเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุในการที่เราตั้งใจฟังอย่างอดทนแล้วก็ที่จะสาธุมากขึ้นก็คือนําไปปฏิบัติไปทําตามให้ถูกต้องได้ด้วยแต่คนไหนทำเอาไปปฏิบัติไปทําตามแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่เก็ต มันไม่ได้ผลมันงงนะก็ต้องมาถามหลวงพ่อเดินเวียนไปนเวียนมาเพื่อให้พวกเรามาถามเท่านั้นเองนะถ้าพวกเราไม่ถามอะไรนลวงพ่อก็อยู่เฉยๆนะคือเดินจกคมสร้างจังหวะเป็นเพื่อนนะก็ขอให้ความตั้งใจเหล่านี้จงเป็นเพราะว่าปัจจัยให้เราเกิดดวงตาเห็นธรรมภายในเวลาอันใกล้นี้ด้วยการทุกคนทุกท่านทื่น